ตอนเดินเหรอตอนเดินตอนเดินเล็กฟุง้งอืมเลอเป็นประราไทยอือคือว่าเดินแล้วมันฟุง้งฟุ้งแล้วก็เลยไปหันหน้าไปสวดมนต์อย่างนี้ ก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันฟุง้ง <Okay. S 1> อยังดีกว่าปล่อยให้มันฟุง้งถ้าไม่อยากให้ความฟุ้งอยู่ถวดมลก็ถวดมลไปดีกว่าปล่อยให้มันฟุง้งไอ้ความฟุ้งอะคือเราก็จะได้รู้ว่าไอ้ไอจิตเรามันมีแก่ใจในการที่จะกําจัดมีแก่ใจในการที่จะขัดเกลามีแก่ใจในการที่จะเจริญสติเพราะว่าเราไม่เอาความฟุง้ง แต่ถ้าฟุ้งแล้วเราไม่รู้แลวเราก็ไปอยู่กับความฟุงฟ้งนั้นปรุงไปเรื่อยอย่างนี้ก็เลือกกันแต่ถ้าฟุ้งฟุ้งแล้วเห็นว่ามันฟุ้งปฏิบัติไปก็ไม่ได้เลยเลิอกอันนี้อันดับสองอันนี้เสียหายน้อยกว่าอันดับแรกใช่ไหมพออันดับที่สฟุ้งเอาความฟุ้งรู้แล้วแต่ว่ามันยังฟุ้ง มันมันมันไม่สามารถที่จะจะเินสติได้มันยังฟุ้งอยู่นั่นเนยทำยังไงให้มันหายฟุ้งก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนจิตที่อยู่กับที่มันที่มันอยู่ความฟุ้งนั้นก็มาสวดมนต์ใช่ไหมพอสวดมนต์ความฟุ้งมันก็หายพราจิตไปทำเรื่องอื่นไม่ได้ฟุ้งฟุ้งก็ดับไปก็ยังดีกว่าก็ยังดีได้พอความฟุ้งหายเสร็จแล้วก็เดินต่อ ต้อฟุ้งมาก็สวดมนต์อีกสวด อ, อีกใช่ไหมสวด อ, อีกก็แล้วก็พอพอมันหายฟุ้งก็เดินต่อพอมันฟุ้งก็ทำอย่างนั้นอีกเหมือนกับเหมือนกับเราห้ามเด็กอะนะหมัอนกับเราห้ามเด็กวนาอย่าไปเล่นไฟนะลูกพูดกับมันพอมันก็ยังไปหาไฟเราก็เอา ขนมไปล่อมันพอมันเห็นขนมมันไม่ไปหาไฟแล้วใช่ไหมมันก็มาหาขนมใช่ปะเออพอมันแล้วมันก็ปล่อยมันเล่นไปต่ออยู่ก็กินขนมเสร็จมันไม่เล่นไฟแล้วนี่ก็เลยขนมพราะมันจะไปหาไฟเราขนมไปให้มันพรมันไม่จะไปหาไฟเราขนมไปให้มันทําอยู่อย่างนั้นในที่สุดมันก็เห็นขนมดีกว่าไฟฮะ ใครมีอาการอย่างนี้มั่งเหมือนที่ไปวนปันพุธน่าจะมีหลายคนนะคือมันเดินแล้วมันฟุ้งอะ่ะพอมันฟุ้งแล้วก็หาวิธีแก้ตามที่ตัวเองถนัดเพื่อให้ความฟุ้งมันดับนี่ของแกแกใช้้วยการสวดมรณาสติใช่ไ้มสวดว่าไงอ่ะสวดไดคฟังนี่สวดว่างไงมีเวลาสว ด, สวดทวนั้นเนอ๋อเขาเรียกอภินาป จ, จเวก ชาราตรรมโบมีเรามีความแก่เป็นธรรมดาเหรอชารงางอนาติโตล่วงความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโบมีใช่ไหมเรามีความเจ็บใกล้เป็นธรรมดาพยาธิงานาติโตล่วงความเจ็บใกล้ไปไม่ได้มาระะถ้าพอถอดอย่างนี้แล้วมันความฟุ้งหายเลย เออถอ๋อเออเอเอก็ห า, ามันหายก็อ๋อก็เรียกว่าเรียกลางเนื้อชอบลางยาในบางครั้งนะเออลางเนื้อชอบบางยาบางทีเราความพุ้งอะ่ะบางทีเราเอาตอตมาไปแนะนํามันไม่หายนะมันยังพุ้งอยู่นะแต่บางคนมันมีจริตกิดกับตัวเองอะ่ะมันก็หาวิธีหาวิธีว่าโอ้มันหายหายแล้วเราก็เจริญต่ออย่างบางคนนี่ตรวดตวดกระาอืินล้าน ก็ดับความฟุงฟ้งได้นะเอ้าไม่เราคือว่าเราถนัดอะ่ะพอมันฟุ้งเดินแล้วมันฟุ้งนั่งแล้วมันฟุง้งอ๋อสว่วนคาถาเฮอรล้านก็ได้วะสว่วนคาถาเฮอรล้านสว่วไปเรื่อยเเรืองความฟุ้งมันหายพอความฟุ้งมันหายเราก็จะเริญสติของเราต่อไปได้แต่ว่าแต่ว่าจะไปร้องเพลง <laughs> ความฟุ้งนะจับกลุยความฟุ้งนะจับกีตาร์นี่มันม <laughs> ไม่ว่ากันเรื่องของอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องของเจริญส ต, ติแต่ถ้าเรื่องของเจริญส ต, ติหาวิธีใช้กุศลดับความฟุ้งอะไรก็ได้ที่มันเป็นกุศลที่ไม่ใช่อักุศลระดับความฟุ้งได้แล้วก็ใช้ได้ะอะไรที่เป็นกุศลแล้วก็ดับความฟุ้งได้ก็ใช้ได้แล้วแต่ละคนมันมันลังเรื่องชอบรังยาไม่เหมือนกันนี่ของแกได้คนนึ่งเนี่นนนยถวดเชราธรโมบมูชไหมเรียกพินาปัจเวก ถ้ใครชอบสวดมนต์ก็โทษพูนไปหรือบางคนชอบคาบริกรรมบางอย่างบางคนเคยอยู่สายหนอมาอย่างเงี้ยถ้ามันฟุ้งก็เอาหนอก็มาใช้นั่งยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอนเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นกุศลมาเชื่อกำหนอกำหนอกำหนอกำหนอกำหนอมันหายฟุ้งแน่เลยจิตมันถูกสั่งกันอันนี้ เบ้หนอเบ้หนอเบ้หนอเบ้หนอเบหนอเบหนอลงหนอลงหนอลงหนอลงหนอลงหนอลนอลงหนอแตะหนอแตะหนอแตะหนอแตะหนอวางหนอวางหนอวางหนอวางหนอหายไหมุ่หาจะกินกาแฟทีงอย่าไปกินง่ายจับหนอจับหนอจับหนอจับหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอยกหนอแตะหนอแตะหนอแตะหนอแตะหนอยกหนอยกหนอยก ดื่มหนา อ, อย่าอย่ากระอักไปตอนดื่มมันตอนเมืนอคืนนไปอย่าเนอแล้วกันมันจะกระอักคือถ้าอย่างนี้ฟุ้งหายไหมฟุ้งหายแต่มันจะมาเป็นฟุ้งเฟอ้อเพราะจิตมันถูกสั่งหลายเรื่องมันมีการเกิดดับเกิดดับเป็นลําดับต่อเ น, นื่องคือจริงๆที่พูดใดทำเนี่ยเพราะเราเคยฝึกมาไงรู้ว่าถ้านที่ฝึกพระพุทธเจ้าไม่สอนแบบนี้นะทําไมพระพุทธเจ้าไม่สอนแบบนี้ อันนี้ที่ท่านที่สอนไม่ใช่ว่าท่านผิดนะไม่ได้เรื่องผิดเลยแต่ที่ว่าที่ว่าท่านทำเนี่ยือทำให้มันมีความละเอียดในการที่จะมีสติอยู่ทุกระยะท่านคิดของท่านอย่างนี้แต่การทำแบบนี้ในที่สุดแล้วมันเกิดอะไรมันเกิดอะไรการทำอย่างนี้ในที่สุดแล้วมันเกิดอะไรฮะเกิดอะไรเกิดรู้เท่าทัานใน อิริยาบถในกิริยาที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมไอ้ปัจจุบันสมมติว่าเราหันซ้ายหันขวากับหันหันหันหันหนหันหนอหันหนอหันหนอหันหนอหันหนอหันหนอหนหนอัหนอัหนอัหนอัหนอัหนอัหนอการที่ท่านทำให้ละเอียดเพื่อที่จะให รู้ทันในกิริยาหรืออิริยาบถ ท, ที่เป็นปัจจุบันไอพระพุทธเจ้าไม่เอ า, อางั้นพระพุทธเจ้าสอนเลยเพราะว่าเจตนาที่มันมีอยู่นี่มันเกิดขึ้นกับกิริยาที่เป็นปัจจุบันหันใช่เนี่ยรู้หันฝารู้จบพระพุทธเจ้าที่ท่านทําหันหนอหันหนะเพื่ออะไรเพื่อให้มารู้ว่า เพื่อเพื่อมาให้รู้ทันในกิริยาที่เป็นปัจจุบันหันซ้ายก็ให้รู้ทันว่าหันซ้ายหันขวาก็ได้รู้ให้รู้ทันว่าหันขวาเข้าใจปะที่ก็ปฏิบัติกันนะเพื่อให้รู้ทันนนั้นนะแต่ของพระพุทธเจ้านี่ <S <S เห็นไหมของพระพุทรู้รู้รู้รู้รู้เหียดรู้รู้รู้ ร, รู้ไม่ต้อง นอนนอนนอน น, อนเพราะอะไรเพราะของพระพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องกิริยาที่เป็นธรรมชาติเวลาเรารู้ทันเนี่ยเราจะต้องไปรู้ทันในกิริยาที่เป็นธรรมชาติเวลากิริยาที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเช่นในอิริยาบถสี่ธรรมชาติของเราก็คือว่ายืนเดินนั่งนอน เนี่ยยาติหลักที่เป็นธรรมชาติแล้วกอ็อิริยาบถ ย, ย่อยการคูการเยียดการกรรมการแบเนี่ยคือการเคลื่อนไหวที่มันซ้อนอยู่ในอิริยาบถใหญ่เราเรียกว่าอิริยาบถ ย, ย่อยอิริยาบถใหญ่คืออิริยาบถ ท, ที่มันทำแล้ทั้งตัวนั่งนี่นั่งทั้งตัวไหมนั่งอย่าเราจะว่านั่งแต่ก้นพอ ตัวไม่ต้องนั่งได้ไหมไม่ไ <that> ด <'s necessary> ้ม <that 's necessary> ัน <that> ต <'s necessary> ้องนั่งทั้งตัวยืนเอยืนแต่เท้าพอตัวอื่นไม่ต้องยืนได้ไหมไม่ได้เราต้องยืนทั้งตัวนอนนอนแต่ขาท้ายพอส่วนอื่นไม่ต้องนอนได้ไหมไม่ได้มันต้องนอนทั้งตัวพราะยืนเดินนั่งนอนที่เป็นอิริยาบถใหญ่หมายความว่าเป็นสิ่งที่มันทําแล้วมันทําทั้งตัวทีนี้อิริยาบถย่อยก็คืออิริยาบถที่มันเกิดซ้อนขึ้นมาในอิริยาบถใหญ่ ไม่ต้องทําทั้งตัวอกรรมอย่างนี้ต้องทําทั้งตัวไหมไม่ต้องนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ น, น, นี่มันซ้อนขึ้นมาในกิริยาบทนั่งเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนไหวที่ซ้อนขึ้นมามันมีเจตนาและกิริยาที่เกิดขึ้นทําได้ทันทีเพียงแค่ไปรู้รู้ในกิริยานั้นก็สามารถที่จะรู้ทันทีไม่จําเป็นจะต้องไปกรรมหนอกรรมหนอกรรมหนอกรรมหนอกรรมหนอกรรมหนอกรรมหนอไอแต่อย่างนี้เนี่ย มันมีเจตนาเยอะมากนะเออมันเยอะมากแต่ที่เขาทาเพื่อให้รู้ทันเพื่อให้รู้ทันท่านนั้นเองแต่ของท่านก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่นั่นแหละบางทีบางทีเขา ก, ก็มาคุยกันนะท่านที่ ป, ปฏิบัติสายหนอเนี่ยว่า โ, โกรธโกรธอยู่นี่นะโกรธโกรโกรธอยู่เนี่ยทอดสองนอหายเลย <laughs> ไม่ทันถึงสามนอความโกรธหายเลย เออลองโกรธ ด, ดูสิแล้วก็ทําดูโกรธหนอโกรธหนอหนอที่สองนี่ความโกรธหายแล้วเกลียดเหรอเกลียดหนอเกลียดหนอหนอสองนี่ความเกลียดหายแล้วก็คุยกันอย่างงั้นหายจริงไหมอืม ไม่เขาคุยกันไงว่ไม่ถึงสองหนอก็หายแล้วอคนที่เขามีธรรมะมีสติแล้วอ่ะเขาจะหนอไม่หนอกก็ได้เขาจะหนอไม่หนอก็ไ ด, ไได้แต่ว่าในขณะที่จิตมันกำลังอยู่ในอํานาจของความโกรธอ่ะจะ ก, กี่หนอกกี่หนอมันก็ไม่หายมันไม่หายที่อ่างทองเนี่ยเขามีสํานักหนึ่งมาจากพม่า พระพระม่านะเขาไปนี้เขาจะตีกันก็วิสุทธิมักจะตีกับปฏิสัมพิธามักในสำนักเดียวกันคือถ้าไปยึดวิสุทธิมักมันก็ต้องขัดกับปฏิสัมพิทามักปฏิสัมพิทามักนี่ก็คือภาษาริบุตรนะก็ตีกันคือต้องเอาตามอย่างเช่นว่าเวลาเราลู่ลมหายใจแล้วมันมีนิมิตไอ้นิมิตเนี่ยถ้า มันเช่นว่ามันเป็นสีเหลืองสีแดงเป็นปุ๋ยไผ่เป็นดอกเป็นถีเขียวเป็นเหมือนกับริ้วของน้ําตกส ม, มุติเอเกิดเป็นสภาวะนิมิตพวกนี้เนี่ยถ้าในวิสุทธิมัชเนี่ยให้เอาปุยนุ่นในในเอาเอ า, เอาปุยนุ่นปุย๋ยปุ๋ยไผ่ใช่ไหมปุ๋ยไผ่ในปฏิสัมพิธามัชให้เอาปุ๋ยเมฆสองอย่างนี้เดินทางขัดกันโดยเฉพาะเอโกเอโกนิภาวะเคยได้ยินไหม คือี่มเอโกดีภาวะภาวะที่เวลาเวลาเห็นลมดับเห็นลมดับจิตที่อยู่กับอุเบขาเนี่ยจิตที่อุเบขาปรากฏมีอุเบขาเป็นอารมณ์เกิดเอโกดีภาวะปิติก็ดับสุข ก, ก็ดับวิตกวิจารณ์ก็ดับไปแล้วเนี่ยมันจะมีอุเบขาชัดชัดที่มีกําลังมากเป็นอารมณ์เดียวของจิตในขณะนั้นมันก็เป็นเอโกดีภาวะเอโกดีภาวะมันก็ เวลามันเป็นเอโกริภาวะมันก็เป็นแสงไม่ใช่เป็นแสงนะมันเป็นความใสของเนื้อจิตเนื้อธรรมตอนนั้นเนื้อของสภาวะตอนนั้นมันจะเกิดใสสบายสว่างเบาในนั้นจะไม่มีปิติมีแต่มาเป็นปิติอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ปิติที่เราที่เรารู้ลมรู้ลมแล้วมันเกิดความเย็นเกิดความสบายไม่ใช่เพียงนั้นมันเป็น มันเป็นดวงของปิติที่เกิดขึ้นในในในกลุ่มก้อนของความใสนั่นอ่ะอันนี้เรียกว่าซึ่งมันเป็นกำลังของอุบเบกขานั่นแหละที่แท้จริงเป็นกําลังของสมาธิก็เรียกว่าเอโกทิภาวะพอพูดถึงเอโกทิภาวะพระพุทธเจ้าตรัสถึงเอโกทิภาวะเรียกว่าเอกรธรรม <c oughs> เอกรธรรมในอาณาปานนสะตินี้พระพุทธเจ้าตรัสก่อนเลย เอกธรรมตัวเอกธรรมตัวเอกธรรมนี่มันจะเป็นตัวที่จะเกิดแล้วมันจะทําให้เกิดการประคองโพชชงมีกําลังแข็งแรงโพชชงจะแข็งแรงก็เพราะว่าตัวเอกธรรมเนี่ยก็คือตัวอุเบกขาที่มีอยู่ในตัวสมาธิเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ประคองให้สติสัมโพดชงธรรมวิจยะสัมโพดชงอะไรจนถึงอุเบกขาสัมโพดชงมีกําลังที่แข็งแรงถ้าไม่มีตัวเอกโอที่ภาวะโพดชงทั้งเจดก็จะไม่แข็งแรง อันนี้โพชงก็จะไม่แข็งแรงแต่พอมาในชั้นปฏิสัมพิธามักกับในชั้นของวิสุทธิมักไม่เหมือนกันวิสุทธิมักเนี่ยทำอาณาหลายวิธีเรียกว่าพุทธนาขันนานาเคยได้ยินไหม ข, ขันาขันนาคือนับอะ อไม่ใช่นับรูปกรรมคขนาดนับก็คือวนับลมหายใจเช่นว่าเขาอย่างนี้ดูสเกลอย่างนี้หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งอันเนี้ยหายใจเข้านับหนึ่งใช่ไหมหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามหายใจเข้านับสี่หายใจออกนับสี่หายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้าหายใจเข้านับ6หายใจออกนับห หายใจเข้านับเจ็ดหายใจออกนับเจ็ดหายใจเข้านับแปดหายใจออกนับแปดหายใจเข้านับเก้าหายใจออกนับเก้าหลังจากนั้นถัดลงมาเป็นสเกลที่สองหายใจเข้านับเก้าหายใจออกนับเก้าหายใจเข้านับแปดหายใจออกนับแปดหายใจเข้านับเจ็ดหายใจออกนับเจ็ดหายใจเข้านับนับหกเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยหายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้า หายใจเข้านับสีหายใจออกนับสหายใจเข้านับสาหายใจออกนับสหายใจเข้านับสหายใจออกนับสองหายใจเข้านับหหายใจออกนับหนึ่งหลังจากนั้นหายอ่าเสร็จแล้วก็ถอยมาเรื่อยเลยตอนขึ้นก็ขึ้นไปเรื่อยนะตอนถอยก็ถอยไปเรื่อยตอนนี้ไใ้รูปแบบมันอะตอนขึ้นนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสหายใจเข้านับสาหายใจออกนับสาม หายใจเข้านับหหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสหายใจออกนับหายใจเข้านับสี่หายออกนับสี่คือนึกนบรรทัดที่เป็นสเกลจากต่ำขึ้นไปหาถุงเนี้ยหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งใช่ไหหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับ2อเอาขึ้นไปอีกหายใจเข้านับสองหายใจเข้านับหงหายใจออกนับหหายใจเข้านับหายใจออกนับหายใจเข้านับสมหายใจออกนับนึกภาพบอกไหมจนถึงบนสุดก็คือนับเกจากนั้นก็ถอยลงมานับ8ด หนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงสี่หนึ่งึงสาวุโสทันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีความเชื่อกันว่าด้วยหลักของคณนานาเนี่ยเมื่อตอนตอนที่ตอนที่ขายายขึ้นไปจิตจะขายายสุดแค่นั้นลนะแล้วก็จะควบคุมจิตได้แล้วก็เวลาถอยกลับมาเมื่อจิตมาถึงถอยกลับมาถึงหายใจเข้าน้ำหนึ่งหายใจออกหนึ่งจิตจะรวม อยู่ตรงนั้นกำลมแลวก็คมมากว่าการนั้นไอ้นี่ด้วยหลักของคณนนาด้วยการนับหลักของพุทธนาพุธนาคือว่าสัมผัสสัมผัสเขาจะไม่เอาที่จมูกเขาจะไม่เอาในนี้เขาจะเอาที่มันรู้สึกได้แรงๆเช่นที่ลิ้นปี่ที่ท้องที่สายไถ่ทางต่างก็ใช้กัน่า คือทองหอยใจข้าวแะทองขี้ย่อยซึ่งแล้วก็มาตามเป็นอานาพระพุทธเจ้าไม่ไม่ต้องออกยกว่าเขาไม่ยอมรับว่าเป็นอานาในปฏิสัมพิทามัคไม่เอาปฏิสัมพิทามักเอาตามความเป็นจริงที่ลมจริงๆเคลื่อนจริงๆและกระทบรับรู้ได้จริงๆรงิในปฏิสัมพิธามักนี่ของภาษาบุตรส่วนของพระพุทธเจ้าก็ ว่าทำาเท่าที่มีพระเจ้าตรัสอยู่เท่า น, นั้นอ่ะอีกครั้งว่าอัตรารย์ท่าดดีครั้งอาจามีที่พระเานาทีก็พระเจ้าตรัสอยู่เท่า น, นั้นจริงเงี้ยสองไอ้สิบสางานสิบขั้นน่ะตรัสอยู่เท่า น, นั้นอ่ะของพระสาริบุตรก็มากขยายให้ว่าไอร้รู้ลมข้าวเนี่ยรู้อย่างไรรู้ลมออกรู้อย่างไรรู้ลมยาวเป็นยังไง ร, รู้ลมสั้นเป็นอย่างไรแต่ในวิสุทธิมรรคเนี่ยไปอีกเรื่องหนึงเลย ีนี้กองหลวงพ่อพุทธทาสของหลวงพ่อพุทธทาสนี่ทำเลยทำลมให้ยาวทำลมให้สัน้นทำลมให้ยาวทำลมให้สัน้นทำลมให้ระหัสท่านให้ทำเลยของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำก็เน้นวิสุทธิมรรคหลวงพ่อาลิงดำนะก็ไอคำปรีในชั้นชั้นนั้นะ่ะ ชั้นของรุ่นหลวงปอปานหลวงพ่อฤาษีลิงดํารุ่น น, น, น, นั้นน่ะเขาวิสุทธิมัชยนี่แรงมากมาแรงมากก็เลยเอาแต่วิสุทธิมัชยแล้วก็ในวิสุทธิมัชยมีหลายหลายกรรมฐานที่ขัดแย้งกันขัดแยง้งดังคือถ้าขัดแย้งกับปฏิสัมพิธามัชย์หมายความว่าเป็นกรรมปีชั้นพระพุทธเจ้าแต่เป็นของพระสราวกนะอารหันต์ก็พระสารีบุตรนะถ้าขัดแย้งกับ คำทีไหนก็ตามถ้าขัดแย้งในชั้นของปฏิสัมพิธธามักรับรองได้เลยมันขัดแย้งไปจนถึงถึงของพระพุทธเจ้าแหละอ น, นี้เราศึกษาเชื่อคมทีไม่ได้ไงเชื่อคมทีไม่ได้เชื่อคนสอนก็ไม่ได้ต้องมาหลอกต้องมารู้สภาวะต้องมีสภาวะรองรับพอธรรมแล้วมีสภาวะรองรับแล้วลองไปรู้ของเราเองอ่ แต่ขั้นแรกที่ก่อนเนี่ยเราก็ต้องเอาของพระเจ้าเป็นหลักคำพรีวิสูดรนมักมันมาแต่งมาเพื่อนึงพันไอพศก้าร้อยนี่ก5 0ร้อย้าสิบมีมุติมักก็พสศ5 0ร้อยห้าสิบส่วนคำพรีของอาจารย์อน่นๆดือดในยุคเรานี่ <laughs> ออบา ง, งองศรานาเนี่ยก็ลาธิขาไปแล้ว บาคนจะบอกว่าอ ม, มันทำไปแล้วมันมีสภาวะที่ว่าจะเจอแสงอะไรนี้ถ้าคนที่ไม่เจอก็ไม่ได้ผิดหรือว่าทุกคนพอทำมาถึงจุดนี้ก็มาเจอตรงนี้ถ้าไม่เจอนี่จะผิดแย่เลยพอพูดอย่างนี้ใช่ไหมด้วยเหตุ น, นี้เลยพระพุทธเจ้าเลยไม่อน <c oughs> พระพุทธเจ้าเลยไม่ให้ราคาเพราะพอเราไปพูดเรื่องแสงเรื่อ ง, ง, องปุยนุ่นปุยเมฆปุยฝ้ายเนี่ย ไอ้บางคนมันทนําแล้วนไม่ได้อะไม่มีวัฒนธรรมบารมีเรื่องที่กว่าเข้าใจว่าแล้วบางคนน่ะไม่ใช่มันได้มันหลงผิดมันคิดว่าได้โอ้ยะยะงรู้นะื้อเพราะฉะนั้นอย่าเอามาพูดว่าได้หรือผิดหรือถูกนะไม่มีไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกแล้วลองคิดสิอ่ะ ถ้าสมมุติว่านั่งแล้วเห็นแสงสมมุติว่าเห็นแสงในสมาธิเสร็จแล้วออกจากสมาธิไปนั่งจิบกาแฟจิบน้ำส้มอย่างเงี้ยเสียงมันก็หายไปแล้วแล้วมันเกิด อ, อะไรมันจริงหรือไม่จริงฮ ะ, ะมันจริงหรือไม่จริง ม, ม, มันจริงหรือไม่จริงอ่ะเออ จริงหรือไม่จริงทั้งตอนที่เห็นทั้งตอนที่ไม่เห็นทั้งตอนที่เห็นและไม่เห็นมันไม่จริงอะไรมาบอกว่าตอนที่เห็นมันจริงอ๋อเห็นไหมบางคนเขา บ, บอกว่า เอาอะไรมาบอกว่าจริงเออเอาอะไรมาบอกว่าจริงเคยฝันไหมฮะจริงไหมฮะเอาวันมันเป็นเรื่องเป็นเรามากกว่าเห็นแสงนะเว้ยอ่าก็คือก็คือไม่จริงใช่ไหมเออ แสงนี้ก็เหมือนกันนิมิต ท, ทุกนิมิตอ่ะเมื่อจิตเมื่อเราเอาจิตดึงฝึกจิตให้ไปรวมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งความความที่จิตมันคลายตัวออกมาจากสิ่งต่างๆและมารวมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันก็จะมีการกวัดแกงการกวัดแกงที่เกิดขึ้นเป็นผลปรากฏเป็นนิมิตเป็น น, นิมิตก็เป็นหลากหลายไปตามจริตของแต่ละคน ไปตามจาริตของแต่ละคนสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามจาริตของแต่ละคนพอจิตจิตมันจะเข้ามารวมอยู่กับอารมณ์เนี่ยมันก็มันจะมารวมอยู่กับอารมณ์มันก็จะทำให้เกิดเอฟเฟกมันจะเกิดเอฟเฟกขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นนะ่ะเขาเรียกว่านิมิตบางคนก็เป็นแสงบางคนก็เป็น สีบางคนก็เป็นก็แล้วแต่แล้วแต่จริตของแต่ละคนแล้วก็นอกจากจริตแล้วสัญญาอสัญญาของแต่ละคนบางทีสีเนี่ยมันเป็นสีแดงอันนี้ผมเล่าอยา่างนี้ทุกคนก็อยากเห็นนะทีไหมฮะเกิดตัญหาขึ้นมาบางทีมันเป็นสีแดงแล้วมันกลายเป็นสีเขียวแล้วมันกลายเป็นสีขาวเออทำไมอย่างงั้นในสีเดียวเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเขียวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีขาว ก็สัญญาเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้ในทุกคนเพราะมันไม่มีอยู่จริงพูดง่ายๆมันไม่มีอยู่จริงเขาเป็นเป็นเป็นเป็นปนิมิตทางอารมณ์นะเป็นนิมิตทางอารมณ์ไอ้นิมิตที่เราบอกก็ก็ เป็นเครื่องหมายที่ตั้งสงจิตรู้ไอ้นั้นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่นิมิตตัวนี้นะที่เราฝ้ารู้ลมหายใจออกฝ้ารู้ลมหายใจเข้าตรงไหนตรงนั้นเป็นนิมิตอย่างหนึง่งลมหายใจออกเป็นนิมิตอย่างหนึง่งลมหายใจเข้าเป็นนิมิตอย่างหนึง่งลมหยุดภาวะที่ลมหยุดก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งลมอุเบกขาก็เป็นนิมิตอย่างหนึง่งนิมิตในที่นี้เป็นเครื่องหมายให้รู้ นิมิตเป็นเครื่องหมายนิมิตเป็นเครื่องอาศัยก็สุดแท้แต่จะเรียกแหละถ้าเราไปเจอศัพท์พวกนี้แนละ้วพยายามพยายามอย่าไปหมกมุ่นมากถ้าหมกมุ่นมากแล้วจะทําให้เราไปตีตีความกันมั่วไปหมดให้เน้น ต, ตรงที่ตรงไหนที่เราเข้าใจแล้วเรามาปฏิบัติให้มันให้มันได้สภาวะให้ เ, เกิดสภาวะจะรองรับเป็นของตัวเราเองเนี่ยะถึงจะดีที่สุดแล้เวเราก็จะได้ภาวนากันต่อ นั่งสมาธิให้มันสบายๆนั่งให้มันสบายๆนะอย่าไปคิดว่าโอ๊ยนานจริ ง, รงๆเราก็ไม่อยากคิดว่านานนะใช่ปะ่ะเราไม่อยากคิดว่านานอะ่ะเราอยากเราก็อยากจะตั่งให้มันนานอยากให้มันนั่งแบบสองสามชั่วโมงแล้วมันไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างนั้นนะ่ะทุกคนอยากหมดเลยใช่ปะ่ะเราก็ไม่อยากคิดว่านานแต่ว่ามันมีวิธีไง วิธีที่บอกเนี่ยก็คือว่าวิธีเข้ารู้อยู่ตรงนิมิตถ้าถ้ามันมีความชัดเจนในการเข้ารู้ลมหายใจได้เวลามันจะเป็นศูนย์ทันทีเลยมันจะไม่ไปค้องแวะกับอดีตมันจะไม่ไปเลงอนาคตมันจะเน้นเข้าอยู่ที่เดียวถ้ามันอยู่ที่เดียวเท่ากับเวลามันไม่มีถ้าเวลาไม่มี แล้วพอเข้ารู้ลมหายใจลมหายใจเลยออกปั๊บมันเข้ารู้เข้ารู้เข้ารู้จนมันรู้แม้กระทั่งเนื้อลมหายใจที่ไหลออกมามันก็รู้รู้รู้รฉันทะมาก็มาพอฉันทะมาเนี่ยอืฉันทะมานี่ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเยอะเวลาฉันทะมาสมมติว่าเรามันเหนื่อยเมื่อยใช่ไหมเมื่อยอย่างเงีอมันสามารถที่จะเปลี่ยนขาได้นะ ปวดๆวดอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้คือมันมั่นใจมากเลยว่าไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่าอะไรในขณะที่มันจับอารมณ์อยู่นั้นอยู่นะมันยังเต็มที่กับมันอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะจะกลับเปลี่ยนได้โดยการจบยังเกาะอารมณ์อยู่นะแล้วมันก็เปลี่ยนได้เวลามีฉันทะแล้วอะไรฉันทะมาก็มีหลายๆครั้งสังเกตดูดิสังเกตเวลาเราแบบทำอะไรอยู่อ่ะกินข้าว ดูดูหนังอะ่ะดูหนังดีกว่ามันจะง่ายหนังที่เราชอบชอบตอนที่มันแบบเข้าพระเข้านางตอนที่แบบโลุ้นกันลุ้นกันเนี่ยในระหว่างนั้นอตั้งผลไม้อยู่ลุ้นมันอยู่แล้วก็ต้หยิบผลไม้มากินโดยที่ไม่ละอารมณ์ความไม่ขาดเรื่องไม่เสีย แต่กินได้ด้วยเข้าใจปะเข้าใจไหมเหมือนกันเหมือนกันเลยเวลาฉันทะมันมาในสมาธิแต่ติตจับอารมณ์อยู่เนี่ยมันสามารถที่อยู่กับอารมณ์นั้นได้แล้วก็เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนท่านั่งวิยาบทให้ขาของตนเองสบายโดยที่ไม่มีอาการกระส่ายของจิตไม่มีอาการกระส่ายของสมาธิมันได้ถึงขนาดนั้นออถ้ามีฉันทามา เหมือนกับคนที่มันถือนกเขาจับนกเขาไว้ในมือเนี่ยนกเขาราคาสามลา้านแพงเสียงดีเช็เชลงประเทศไทยหนังไม่ให้มันสะเทือนแล้วมันก็เดินได้เพราะราอำนาจของความชอบที่ชื่อว่าฉันทะฉันทะเป็นปกินอากะนะอย่าไปพูดว่าฉันทะแล้วมันต้องดีอย่างเดียวนะฉันทะเนี่ยมันเป็นไม่ดีก็ได้นะ ฉันท้ามันเป็นปรากินกะมันใช้ได้สเปซสะปะหลากหลายให้คนที่ชอบนอกเขาตัวสองสามล้านเชมประเทศไทยโอ้ยมันบินหนีไปนี่เสร็จเลยนะมันตั้งอยู่บนมือเงี้ยมันสามารถที่จะประคองมือนี้ให้นิ่งโดยที่นกเขาไม่สะเทือนและมันก็เดินได้ด้วย <c oughs> ด้วยอำนาจของจันทา <c oughs> เออหรือคน คนที่ชอบการพนันที่มันนั่งเล่นการพนันที่มันนั่งเล่นนั่นเนี่ยเผลอไม่ได้ไงเผลอก็ถูกโกงใช่ไหมมันก็นั่งดูในระหว่างนั้นมันก็สูบบุหรี่มั่งหันไปคุยกับคนน้นมั่งคนนี่มั่งโดยที่งานการมันไม่เสียนะจิตมันจดจ่อมากอำนาการจดจ่อของจิตนี้ด้วยฉันทะนี้ตัวนี้แหละ ที่มันเกิดในสมาธิเวลาเราทำอาณาเวลาเราบางครั้งเวลาเราทำอาณาปานนัสติรู้ลมไปเรื่อยเรื่อยเรื่เราสังเกตว่ามันจะเกิดสภาวะหนึ่งคือว่าลมมันจะเรียบความความเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกของลมหายใจเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยคือเนื้อในระดับเดียวกันมวลของลมเนี่ยที่เรารู้สึกได้เนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันจะพอดีแล้วมันไม่อึดอดัดและมัน มันรู้สึกว่าชัดชแล้วมันจะเย็นเย็นไอตัวรู้ไอตัวรู้มันเนี่ยมันจ ะ, ะตัวรู้มันจะมันจับได้หมดโดยที่เราเห็นการละเอียดนี่ที่ตัวรู้มันเข้าไปจับลมหายใจได้ที่มันไหลตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมยุดสุดลมหายใจอาการที่เขาเขาจับได้อย่างนี้นั่นคือที่มาของฉันท่า พอเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็น้อมไปมันยิ่งน้อมไปยิ่งน้อมไปยิ่งน้อมไปไอ้ตัวนี่คือตัวฉันทะพอเห็นแล้วเป็นไงทีนี้ถ้าจิตจิตมันเห็นเห็นอาการที่จิตเข้าไปรู้ลมหายใจในเนื้อลมหายใจแบบละเอียดเลยโอ้ยมันทําไมมันรู้เป็นอย่างเนี้ยหรือเดินจงกรมเคยเจอไหมเวลาเราเดินเดินเดินเดินมีบางครั้งจิตมันรู้สึกรู้โอ้โหมันมันมันรู้ ละเอียดมากเลยเท้าเอยีงยงยอย่างนี้มันยังรู้เลยนิ้วก้อยแตะมันยังรู้เลยเอ้มันยังรู้เลยด้รู้อย่างงี้นั่นคืออาการมาของฉันทะพอพอมันมาอย่างนี้แล้วมันจะรู้สึกว้าวฮะ <laughs> ใช่ไหมเออเนี่ยผมมีฉันทะแล้วก็รับรองเลยทีนี้พอ ม, มาอย่างนั้นเลยนะในระหว่างที่จิตมันเกาะได้อย่างนี้แล้วนะในขณะที่เดินอย่งกรมนะ นกบินมาอะไรบินมามีเสียงดังตรงนั้น<ม>เรื่องใหญ่แค่ไหนมันเล็กลนนถูกต้อง <laughs> อันนี้คือฉันทะ <laughs> คือสภาว่าพวกนี้ถ้ามันเกิดกับเราแล้วเราสังเกตเลยเราก็แต่เราไม่ได้ถวิลหามันนนะทำความเพียรนะมันถูกต้องไปเรื่อยๆ เ, เ, เดี๋ยวพอ ม, มันเกิดโอ้มันจะละเอียดมากเลยนะวางเท้าเนี่ยไอ้ตรงนี้มันหนักใช่ไหม ตรงนี้มันเบาตรงนี้มันหนักตรงนี้มันเบาตรงนี้มันโดนตรงนี้มันโดนมันรู้ละเอียดหมดเลยมันรู้ถึงขนาดนั้นอ่ะเ้าเอียงมันยังรู้เลยโอ้โหนี่มาแล้วมาแล้วเดินเร็วเดินช้าไม่ใช่ประเด็นพอฉันทะมาแล้วเนี่ยมันจะจัดทุกอย่างให้มันเหมาะไปหมดอะแต่ถ้าว่าฉันทะไม่มาอาศัยความเพียรเนี่ยมันก็ตัวตัวที่จะเข้ามาก็คือตัวนิวรตัวนิวร โดยเฉพาะตัวฟุงตัวฟุงพกฟุงมาทีนี้ความเพียรก็จะต้องโดนรุกรานตัวต่อมาก็คือตัวลังเลจะเดินอยู่ทำไมวะจะเดินอยู่ทำไมวะ <c oughs> นี่เรียกว่าตัวลังเลนิวนมาแล้วถ้าฉันทะไม่มาน ะ, ะกระแสของฉันทะไม่เกิดกระแสของนิวร์เกิด <EERING> <under> ถ้ากระแสของฉันถ้าเกิดกระแสของนิวรณ์จะไม่เกิดพอกระแสของฉันถ้าเกิดความเพียรที่ทําต่อเนื่องจะเป็นทางเข้าไปสู่ฉันทะแต่ถ้ากระแสของฉันทะไม่เกิดกระแสของนิวรณ์เกิดแน่นอนออันนี้เป็นเรื่องแน่นอนกระแสของนิวรณ์เกิดถ้าความเพียรต่อไปนิวรณ์มาตามกระแสของมันเกิดแน่นอนให้รู้ไว้เลยว่าอ่าไอ้นี่กระแสเนี้ไอ้นี่คืออ๋อนิวรณ์มาแล้วมาแล้วมันเหมือนกับอะไร เหมือนกับฟาโรห์ที่บอกว่าฝนจะตกฟาโรหไม่ใช่ฝนนะแต่มันบอกว่าฝนจะตกนะถ้ากระแสกันนิวนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟุ้งมาแล้วอย่างนี้เดี๋ยวฟุ้งมาแล้วอย่างนี้กระแสของนิวนมามาแน่นอนกระแสของฉันทะมามันแต่ถ้ากระแสของนิวนมากระแสฉันทะจะไม่เกิดกระแสของฉันทะเกิดกระแสของนิวนก็จะไม่มา มันเราจึงมีเห็นไหมเวลาเรานั่งสมาธิก็ดีนั่เดินจงกรมก็ดีเราก็จะบอกกับตัวเราเองได้วันนี้นั่งดีกเหลือเวันนี้นั่งดีมาก <laughs> วันนี้โอยวันนี้เดินดีจริงๆโอวันนี้เดินดีมากให้เดินทั้งหลก็ไม่เบื่อโอยวันนี้เดินตั้งนานเหมือนกับแป๊บเดียวอะไรเงี้ยน่ะน่ ะ, นะมาแล้ ก, กําลังของฉันทะเพราะฉะนั้นตัวฉันทะมันจึงเป็นตัวที่สําคัญในเรื่องนี้ ฉันทะจะมาในการรู้ลมเนี่ยบางทีเขาก็มาในตอนที่เรารู้ลมยาวบางทีมันก็มาในในในตอนที่ลมมันหยุดบางทีมันก็มาในตอนที่ก็แล้วแต่มันก็สามารถที่จะเกิดได้ทั้งหมดเลยแต่ตัวที่จะทําให้เกิดฉันทะได้ที่เป็นกระแสที่แท้จริงก็คือตัวอุเบกขาอุเบกขาอยู่ตรงที่เรารู้ลมตรนตรนที่เราเฝ้านิมิต ไอ้ตัวที่เราเฝ้ารู้ลมหายใจอ่ะไอ้ที่เราเฝ้าในระหว่างที่ลมหายใจยังไม่มาลมหายใจเราอยู่กับอะไรจิตรู้เราอยู่กับอะไรตอนที่อยู่ที่ตั้งลองลองคิดดูสิว่าไอ้นิมิตนิมิตไนที่นี้คือที่ตั้งของจิตรู้ใช่ไหมในตอนที่ลมหายใจยังไม่มาที่มันเฝ้ารู้ลมหายใจหายใจออกสุดปั๊บก่อนที่ลมหายใจเข้าจะเกิดหรือหายใจเข้าสุดปั๊บก่อนที่ลมหายใจออกจะมาเนี่ย ที่เราคอยเฝ้าจ้องรู้ลมหายใจอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่กับอะไรมันมันอยู่กับเนื้อนั้นเหรอถ้ามันเฝ้าอยู่ตรงโพรงจมูกเนี่ยไอ้จิตจิตรู้ของเรามันวางอยู่ตรงที่เนื้อจมูกนี้เหรออะเอาคิดดีดีอะอยู่กับเนื้อจมูกเลยเหรอไม่ใช่อยู่กับอะไรอยู่กับอะไรลมยังไม่มาอยู่กับอะไร อยู่กับอุเบกขาห น, นะแต่มันยังไม่ปรากฏก็ดูสภาวะมันดิพอพอเราเข้ารู้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่มันรู้สึกต่อลมได้เนี่ยอพอลมหายใจเข้าปั๊บมันรู้พอลมหายใจออกสุดมันรู้พอลมหายใจออกมันรู้ กอนลมหายใจออกสุดแล้วเนี่ยก่อนลมหายใจจะเข้ากลับมาก่อนที่ลมหายใจเข้าจะเข้ามาเนตรงนั้นอะเราอยู่ตรงไหนเออเราอยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงไหนฮะถูกต้องรู้จากสภาวะนี้ไว้ทําให้มันรู้พอพอเราหายใจ โดยเฉพาะอย่างจริงตอนที่ลมหายใจออกสุดแล้วเวลาเรานั่งนั่งแล้หายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตรู้อยู่ไหนก่อนลมหายใจเข้าจะมามันจะสังเกตได้เมื่อเรารู้ลมหายใจออกก่อนที่ลมหายใจเข้าจะเข้าเนี่ยมันจะมีจังหวะลมที่มันหยุดไอ้ตรงนั้นไอ้จิตรู้อยู่ไหนไอ้ที่พูดในครัมงไปสิบปดข้อวันแรกอะนั่นคือการดิ้นรนของจิตที่รู้ มันออกไปมาถึงวันนี้มีบางคนบอกว่านิมิตมันมันตรงไหนนะที่ตั้งนิมิตเนี่ยมันยังไม่ชัดเลยเหตุที่มันไม่ชัดเพราะไอสิบแปดเรื่องราวนั่นน่ะที่พูดในความวันแรกเพราะเราไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ตรงเนี้ยแล้วก็มันเลยมันก็เลยกวาดแกงใช่ไหมจิตมันจะกวาดแกงกวาดแกงโดยที่เราไม่รู้หรอกมันมีเจตนาที่จะรอลมเข้า เจตนาที่จะรอลมหายใจให้เข้าไปก่อนที่พอลมหายใจออกสุดมันมีเจตนาที่จะรอลมเข้าเราก็เข้าใจว่ารู้หรืออะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยหรือหลุดไปคิดก็ได้หลุดคิดก็หลุดตรงนี้แหละแต่พอเรามีการเฝ้าจ้องรู้อยู่ที่ตั้งของจิตรู้เมื่อลมหายใจออกสุดปั๊บจิตรู้เราตั้งอยู่ตรงไหนเราเข้าเราคิดว่าไงตั้งอยู่ไหมตั้งตรงนี้อ่ะ ตั้งตรงที่เนื้อนี่อหรฮะถ้าตั้งตรงนี้นี่ก็เอาได้ได้มาเอาเข็มมาสนเย็บเลย <ś c oughs> ดิ้นนัก <ś c oughs> เอาได้มาเอาเข็มมาเย็บเย็บไว้มันสนิดไปเลยมันก็มัน้ไปวิงว่งขาวิกออกอมันมวนุ่นวายนะจิตรู้อยู่ตรงไห น, น นั่นคืออยู่ที่อุเบกขาไงนั่นคือสภาวะที่ชื่ออุเบกขาเข้าใจไหมเอาในเมื่อเราหายใจออกสุดก่อนที่ลมหายใจจะเคลื่อนเข้ามาจิตรู้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอุเบกขาจำสภาวะนี้ไว้ให้เป็นความรู้วิธีรู้รู้จักอุเบกขาก็ หายใจเข้าครับดอกเฝ้าเจ้ารู้อยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมหายใจเข้าให้สุดไปรู้ลมออกพอลมออกสุดก่อนที่ลมหายใจเข้าจะเข้ามาดูว่ารู้เราอยู่ตรงไหนถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกไม่ถูกนะวิ่งไปข้างไหนก็ไม่ถูกใช่ไหมหลุดออกไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่ถูกใช่ไหมถูกปะ เรามาคอยจ้องรอลมเข้าอยู่ไหนว่ามันก็ไม่ถูกถ้ามันเข้ารู้จริงๆรู้นิ่งๆเข้ารู้นิ่งๆก่อนที่ลมหายใจเข้าจากเข้ามารู้ตรงนั้นมันอยู่กับอุเบกขาบุบูเบขาประมาณนี้แหละและเมื่อเรารู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆที่เคยพูดให้ฟังอยู่เสมอว่า อุเบกขาสันธาติอุเบกขาปรากฏมันไม่ใช่อยู่ๆว่ามันปรากฏนะไม่ใช่อยู่ๆว่ามันปรากฏเมื่อเมื่อลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ลมที่ว่าเมื่อคือนนี้ให้ทำเรื่องระยะของลมตั้งแต่ต้นลมจนสุดทางของลมหายใจเข้าต้นลมจนสุดทางของลมหายใจออกเรารู้ไปเรื่อยเืยเย่ยและลมหายใจมันละเอียด กายมันนิ่งลมหายใจมันก็จะค่อยๆสั้นลงค่อยๆสั้นลงคือลมหายใจจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรก็ตามฐานที่ตั้งของจิตรู้เปลี่ยนไหมฮะไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่าเมื่อลมหายใจละเอียดสั้นลงเบาลงไอตัวไอตัวอุเบกขาซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตรู้นั้นมันจะชัดขึ้นมันจะปรากฏขึ้น ตอนแรกมันมีภาระอยู่คือต้องรู้เราหายใจใช่ไหมเออไอ้เวลามันอยู่เราไม่รู้แล้วเราก็ภาวนาไม่ทันได้รู้ตรงนี้แล้วก็หยุดเลยแล้วบางทีสามสิบนาทียังเมื่อเ ม, ม, ม, มื่อวานนี่เมื่อเช้าที่สามสิบนาทียังไปไปถึงไหนเลยเออหยุดแล้วงั้นถึงบางครั้งตึงบอกว่าถ้ามีฉันทะนะให้ต่อเนื่องไปได้สักสองชั่วโมง <laughs> แต่ แต่ภาวนานี่นะเรานั่งพอมันมีฉันทะแล้วนะลุกขึ้นออกไปเดินมันยังอยู่เลยที่มันยังอยู่องค์ภาวนายังอยู่เพราะมันมีฉันทะอยู่มันสามารถที่จะรู้ได้มองกันอย่างนี้มองกันอย่างนี้มันสามารถที่จะรู้ได้เมื่อมีฉันทะเรียกว่าองค์ภาวนายังยังตรงตัวอยู่ ัเราก็จะไปต่อเนื่องกันแบบหนักๆที่ใช้ปราการแล้วก็เรื่องภาวนาดึงส่วนเรื่องบุญเราก็ต้องหาโอกาสทำให้มันเป็นตัวเลี้ยงชีวิตเลี้ยงจิตนะบุญนน่นมั่งนี่มั่งตกักบาทมั่งอะไรมั่งก็ทำไปถ้าเราเราให้ให้องภาวนาที่เราอบรมฝึกฝนให้จิตรู้ที่เราอบรมฝึกฝนนี้เขา คอยกําจัดอกุศลเป็นตัวเลี้ยงในวิถีชีวิตแล้วเราก็ให้เขาเคลื่อนไหวกับบุญบุญวัดบุญวา่าบุญบ้านบุญจ้องบุญอะไรต่างๆก็แล้วแต่แหละแต่ว่าให้อยู่ในทานศีลภาวนาสวดมนต์สวดมนต์ว่งอย่าไปด้อยค่าสวดมนต์เดี๋ยวนี้พอภาวนาแล้วโอ้ยสวดมนต์มันเรื่องไรสาระ ไม่ได้ต้องสวดต้องสวดด้วยแต่มันต้องมีเหตุผลในการสวดใช่ไหมสวดมนต์แล้วก็ปรับวิถีชีวิตในห้องตนเองในบ้านเนี่ยให้มันมีการทำภาวนามีสถานที่นั่งสมาธิมั่งนั่งอุกรมภาวนามั่งทำบุญตักบาตรอย่างนี้เรียกว่าให้เปิด มงคลให้กับตนเองที่เรียกว่าสมนานังจทัถสนังเปิดให้มันเกิดการมองเห็นสมณนะเกิดใก้เกิดการมองเห็นพระบวชในวิถีชีวิตของพระนะแล้วก็ต้องทำํำบุญต้องทํานะบุญเราไม่ทําเนี่ยมันจะมันจะทำให้สภาพจิตอบรมภาวนายากเพราะถ้าไม่มีบุญน่ะทําไม่ทาบุญจิตมันจะกระด้าง จิตจะ ก, กระด้างแล้วมันยากยา ก, ยากนี่หลวงปู่หลวงพ่อบางทีท่านก็หาเรื่องให้โยมได้ทำบุญน่ะแต่ทีนี้มันกลายเป็นภาระเลยสร้างเจดีทีงสองสามพันล้า น, านเฮียะไม่ใช่ภาระโยมนะภาระหลวงปู่อะไร <c oughs> <c oughs> เพราะว่าหลวงปู่หลว ง, งพ่อบางรูปท่านไม่ต้องทำอะไรเลยจิตส่วนตัวท่านเสร็จแล้วไง ก็หาเรื่องหาทางที่จะทำให้ลูกศิษย์ลูกหาตัวเองได้ทำบุญได้ทำบุญอยู่เรื่องๆงยๆไงก็เลยทอหมดบางองค์สร้างเจดีย์ั้งสองพันล้านอืเ <c> ว <oughs> าเดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้โยมไม่มีตังค์ไงเกิดสถานการณ์โควิดอย่างนี้แล้วตังค์ที่ไหนทาหลวงปูทง่ทาไงเป็นประกาคือท่านก็บางทีท่านก็จัดงานวันเกิดตัวท่านเองก็ไม่ได้มีอะไรนะ ไม่ใช่ว่าอยากจะได้อะไรแล้วหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านจัดวันเกิดก็เพื่อให้ญาติโ ย, ยมได้มีโอกาสทำบุญกันทั้งนั้นบุญเราต้องทำเชา้ชาๆออกมาใส่บาทใส่อะไรทีมั่งพ่อแม่ยังอยู่แม่ยังอยู่ก็ใส่รถมานั่งรถเก๋นเดี๋ยวนี้ตามฟุตบาทพระบินทบาตเยอะ เน้นน้อยๆน่าใสจะตายจะไปรู้ได้ไงว่าอนาคตมันจะเป็นสังหราชก็สังหาราชองปัจจุบันเมื่อก่อนก็เป็นเนนอยู่ราบุรีจะหาผักบุ้งหาผักบุ้งมาต้มฉันอยู่ใยายามรดดูน้ําท่วมเออสมเด็จพระเทพสิรินเมื่อก่อนก็เป็นเนนอยู่วัตาตาตําหนักบัด น, นอกเดนแบบลําบากลำบากมาจากความยากจนนะเดนวระเทพสมเด็จพระเทพสิรินนะสมเด็จพระธิรญาณนะ เปสามเดินเปียกอยู่ที่วัตถาตําหนักก็เป็นเนนนั้นเราข้างถนนเดินเดินเป็นเนนเนนแล้วอนาคตมันก็อาจจะเป็นทางกาดก็ได้เราจะ่าไปคิดมันคิดว่าใส่บาททาบุญเพื่อจันลองอายุประศาสนาไว้แต่ถ้าเราไม่ทําบุญไม่ได้นะไม่ทําบุญจิตมันจะกระด้างจิตมันจะหยาบมันจะไม่ มันไม่ไม่เอ่อก็เรียกว่าไม่นุ่มไม่นุ่มก็ทําไม่เรื่อยอีกอันหนึ่งก็คือเมตเตาเมตตาต้องทําทุกวันต้องแผ่ทุกวันถ้ามันไม่เมตตาแล้วมันทัศนคติมันจะมันจะแข็งไปแล้วมันจะมองมุมเดียวไปมองมุมเดียวมัน ก็ต้องปรับเบตตาทำบุญมั่งแล้วก็เบตตาตไอ้บุญก็ทำให้มันที่เป็นบุญนะทำที่มันเป็นบุญไม่ต้องบอกว่าไอ้ที่ไม่เป็นบุญเป็นยังไงแต่ว่าทำที่มันเป็นบุญบางจริงบางอย่างอย่างเช่นเติมน้ำมันตะเกียงอย่างเงี้ยก็ทำได้แต่ว่าอย่าไปมุ่งมั่นมากเติมน้ำมันตะเกียงสะเดาะเคราะห์ต่ออายุเงี้ย ไอ้อย่างนี้มันมันใช่ใช่บุญไหมเติมน้นมันตะเกียงมันเป็นบุญตอนไหนเะเพราะสาเหตุว่าสมัยน้นที่มันยังไม่มีไฟฟ้าตามสามแยกสี่แยกสามแพร่งไหลทางเขาก็จะมีตะเกียงตั้งไว้ ไม่ใช่สมัยนี้สมัยนู้นน่ะนู่นนนไปเยอะๆหน่อยนะนู่นยาวๆอะ่ะแล้ตามสาลาตามที่พักคนเดินทางไกลเขาก็จะมีตะเกียงตั้งไว้ดังนั้นคนเดินทางเนี่ยมันจะมีที่ขายน้ํามันนะ้ำมันยางเงยน้ํามันอะไรต่างๆนี่นะเชื้อเพลิงเนี่ยเขาก็จะซื้อติดตัวไว้พอไปถึงเจอตะเกียงเนี่ยเขาก็จะเติม ก็จุดแล้วก็ใช้ในการทําบุญนี่การเติมน้ำมันตะเกียงเป็นการให้แสงสว่างมันฟังตรงนี้ดีๆนะประโยชน์เกิดขึ้นเยอะมากพอไปบางที่นี่ถ้ามันไม่ตะเกียงไม่มีนะมันมืดเวลามันมืดมืดสนิดไม่มีแสงสว่างนี่นึกภาพไหมว่ามันลำบากขนาดไหนเคยเจ็บป่วยไม่สาบายนู่นนี่นั่นปัญหาสารพัดเยอะ พอเติมน้ำมันตะเกียงเข้าไปแค่นั้นนะโอ้โหมันทุกอย่างมันดีมากมากอันบางท่านพอเติมน้ำมันตะเกียงแล้วเนี่ยตัวยังไม่ตายนะมีตําหนักรออยู่บนนู้นแล้วพอตายปุ๊บถ้าไม่มีธุระอยู่ที่นรกก็ขึ้นไปนู้นเลยแต่ถ้ามีธุระอยู่ที่นูนก็ไปเสร็จธุระที่นูนก่อน <c oughs> ถ้ามีธุระอยู่ที่ข้างล่างนู้นก็ไปธุระที่นูนก่อน เสด็จทุราธิโตนแล้วก็ตําหนักรอแล้วจากการเติมน้ามันตะเกียงไอ้ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยตะเกียงเนี่ยมันไปเติมตรงไหนแต่ละว่าที่ท่านทำไว้เราเติมไปแล้วเราจะได้บุญอย่างไรมันมีเหตุผลของบุญไหมมันมีเหตุผลของบุญไหมมันไม่มีมันไม่มีเหตุผลของบุญน่ะแต่มันมีเหตุผลแค่เราได้ทำใช่ไหม แต่พอเราเติมปั๊บบางที่มันเกินไปอ่ะอย akin, ah, ่างไปเคยไปก็ยมแหม่มที่วัดเอ้นะที่วัดอะไรวะที่เมืองกาญนเป็นมอเตอร์เลยอ่ะหมุนคนก็ไปนั่งเราก็เอายะบอกไงมึงนี่ทํานี่นะดีกว่าไม่ได้ทํำโยมเติมน้ำมันกันแลเนี่ยเนี่ยไอ้ทวดก็เคยไปเี่ยมวดไปด้วยเป็นมอเตอร์หมุนเงี้ยอ่าก็เป็น แพ ล, แลเป็นเป็นเป็นถาดถาดแล้วมีตะเกียงเอาุดเติมจึจึเอาเป็นถาดถาดก็เติมเหรียญเลยเกิดวันอะไรก็เติมลงไปเติมลงไปสนุกแต่เหตุผลของบุญอ่ะมันมีให้ลงไปหาได้ไม่เกิดไหมไ ม, ไม่มีเกิดเลยถ้าเป็นสมัยก่อนโอ้ที่เขาเติมน้ำมันตะเกียงก็มันมืดอ่ะพอจุดตะเกียงพั๊โอ้โหคนเจ็บป่วยไม่สบายหมอรักษาไขา่เด็กจะแม่จะคลอดลูก คนแก่จะหาที่นั่งคนป่วยจะกินยาทุกอย่างมันต้องอาศัยแสงตะเกียงของเราหมดเลยโอ้โหเหตุผลในความเป็นบุญเป็นกุศลก็มากแต่นี้มันไม่มีเหตุผลหาไม่เจอเหตุของบุญความเป็นบุญเป็นกุศลมันหาไม่เจอแต่ว่าเงแบบี้ยก็สนุกสนานกันก็พิจารณาหน่อยเลือกหน่อยเอไอ้บางที่ท่านตั้งไว้เนี่ยมาไอ้แผ่นกระเบื้องเห็นไหมแผ่นกระเบื้องแล้วให้เขียนชื่อ มุงหลังคาซ่อมโบสถ์เอออย่างนี้กระท่าหน่อยใช่ไหมซื้อกระเบื้องนาทักแผ่น้องแผ่นทำไปต้องพิจารณาหน่อยว่าไอตรงไหนที่มันมีเหตุผลความเป็นบุญหน่อยถตามันตรงไหนที่มันไม่มีมหาไปไม่เจอ ก, ก็เว้นเว้นใช่มัง้งเลือกหน่อยทำบุญด้วยความฉลาดไม <laughs> อย่าไปทำบุญด้วยความศรัทธาศรัทธาอย่างเดียวไม่พอมันต้องมันต้องฉลาดด้วยนี่แหละทำบุญทาบุญสวดมนต์ภาวนาเบตตาหลายๆอย่างเนี่ยรวมกันไม่งั้นมันก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นเป็นคนปฏิบัติธรรมจะให้มันรุดหน้าได้ทำให้จิตเคาะจิตนี่ให้มันนุ่ม มันก็เหมือนกับไอเราจะไปหลอมเหล็กเพื่อข้าวเบ้าทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องเคาะต้องอะไรทำหลายอย่างเหมือนกันั้นในทางทศกัณพระเจ้าท่านวางไว้แล้วนี่สอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุคือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญมีเท่าไหร่ท่านก็สอนไว้แล้ว การภาวนาท่านก็สอนไว้แล้ววิธีอะไรต่างๆท่านสอนไว้หมดแล้วเราแค่ทาดังนั้นเนี่ยแต่ว่าเราต้องทําผสมผสานกันผสมผสานกันมันถึงจะเกิดได้เอาละไอ้นี่สนทนาที่จสนทนาหน้าเตายังไม่ได้ทํา เ, เรื่องที่จะพูดยังไม่ได้พูดเลยไว้พูดกันคอดหน้าแล้วกัน